มีจะเทศถึงเรื่องชีวิตมันลุกลนไปทุกวันวันคืนทีเดือนเจกัดชีวิตของเร า, าเป็นไปที่จริงชีวิตของคนเรามีทุกคนนั่นแหละจะลืมไปบางคนตั้งอายุ สามสิบสี่สิบห้าสิบมาแล้วก็ลืมคิดถึงอายุของตนโดยความประมาทชีวิตของตนที่เป็นมานั้นไม่ทราบว่าเป็นมาเป็นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรไม่คิดนึกเลยมีแต่หลงเพ้อเพลินมัวเมา ด้ยความเป็นหนุ่มของตนด้ยความเป็นสาวของตนด้วยความไม่แก่เฒ่าให้น่าจะไม่แก่ให้น่าจะไม่ตายสองกระโจกกระซอ ง, บงเบ่งแต่รูปสวยๆองงอกมาท้านที่มันหุบมันแถวก็ไม่เห็นไม่เอาความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ลืมโลกชีวิตเป็นยุคของเรา นาเชื่ดายวันคืนล่วงไปสี่เดือนล่วงไปมันกัดก่อนชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปควรที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาทดแทนชีวิตของเรานั้นไว้มันเป็นธรรมดาของชีวิตจะ ต, ต้องเสื่อมสูญใส่สปเป็นธรรมดาแต่ว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา ทดแทนไว้ก็ยังเป็นที่อุ่นใจบ้างท่านเทศนาว่าอาโหระตามาจินิมจินิตัง <c oughs> ชีวิตตังกุปรุชติคุณทีและมิโวดกตังท่านพูดตัวอย่างนี้วันคืน ร่วงไปร่วงไปชีวิตเนี่ยหมดไปตามหมดไปไม่รู้ตัวอย่างเรามันนั่งอยู่ที่นี่แหละหลายชั่วโมงแล้วชีวิตหมดไปหมดไปเราไม่รู้ตัวเลยนั่งตรงม้งอยู่เฉยๆชีวิตหมดไปชีวิตหมดไปแต่ไม่รู้ตัว ท่านบอมาเปรียบเหมือนกัน้ำน้อยในรอยโคน้าน้อยในรอยโคท่านว่างนั้นคูกแสงประทิศแสงแดดได้ดย่อมหมดไปหายไปในดูตัวอันนั้นอย่างหนึง่งยังอันนั้ น, นเห็นได้ยากเพราะมันหลายวี่หลายวันกวจะหมดไป ธูปมาเสียเหมันก็หยดน้ำทิศตกในใบบัวถูกแสงว่าทิตฐ์แล้วไม่ถึงไม่พ้นวันมดเสื่อมศูนย์ไปอการหมดนั่นมันไม่ได้รากรดเก่ตาของเราต่อเมื่อใจมันหมดแล้วจึงจะรู้สึกตัวธูปมาเสียเช่นนั้นเหมือนกัน เราเกิดมาเป็นคนแก่แต่เป็นเด็กย่างที่พายฟังแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดามันแก่ชรามาโดยลาดับถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมามัาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่ไปโดยลาดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลาดับ ยังไม่รู้ตัวยิ่งขนาด16 17 18ยิ่งหมวเมาใหญ่ตัตไม่เคยนึกคิดถึงเลยแลต้ตอนจะต้องตายในขนาดที่ไม่ได้คิดนละบางทีเกิดพระเตาเหตุทายคุบเดียวไม่รู้ตัวเลยตอนน่ะลดวาง ตกน้ำตกต้นไม้คือปัจเัยต่างๆหายวกเลยแต่ทา่างแก่เท่าชรากัเจ้ า, าหายความมัวเมาเหล่านั้นเมื่อมัจจุร่า ม, มาเตือนเมื่อน่ะมาเตือนโน่นแล้วเจ้รู้ตัว ลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากการอยู่การกินธนบัต ร, รทุกอย่างเป็นการยากหมดจึงค่อยรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วก็หาได้พิ่เจรินาถึ้ภายในตัวงเราไหมหาวิธีจะแก้ไขหาไดไรมาหยุกยาหาอะไรมาบัต หาเดิมารักษาให้ค่อยหายหมอที่ไหนดีๆหามา <c oughs> ถึงหมอเองก็เหมือนกันรักษาคนอื่นก็พอไปชั่วคู่ชั่วขณะ น, นะแต่ตัวหมอเองก็ชำระสุดโทมไปโดยลำดับหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนเหมือนกันในคนที่สุดเลยดับของเก่า ตายของเก่านั้นในระยะทิ้งยังหลง ม, งมงึนเมาอยู่เลยจะห า, าวิธีที่จะแก้ความแก่ความเฒ่านั้นใมนน้มีพระพุทธเจ้าทัานเทศนาว่าอันทาที่แก้ความแก่ความเฒ่าความตายไม่อยู่ทางเดียว คือการทำกคอนสงบใจไม่ได้ตายสงบนิ่งแน่วยังไม่ได้ตายกายนั้นตายไปแตกสลายไปดินนะดินน้ำไปลมไปจิตนีนไม่ได้ตายถ้ายังมีกิเลสจะตราบใดไปก่อร่างอื่นอีก จิตนี่มันเหมือนกันกนับเหมือนกับไอ่ที่เขาเรียกว่าหอยมอยู่กลางอยู่ริมทะเลนหอยเซ ส, สวนอ่ะออกจากล่างนี้ไปเข้าล่างโน้อนออกจากโลงล่างโน้นไปเข้าล่างโน้นจะเขา้าล่างเก่าของเขาที่ไม่มีตัวนั่น จิตไม่เด้มันยังแตกต่างกันไปตอนนั้นอีกไม่ใช่ไปไปเขาร่างเขาเฉยไปก่อบพบกอบ่อช า, าติกลัวจะเติบโตขึ้นมาโอ้โหตั้งเกขาเดืนดเอนสิบเดือนส่วนหอยเชลสวนนั่นม่เป็นอะไรหรอกมันไปเขาร่างเก่าเขาแล้วก็อาศัยร่างเก่าเขาใช้การไปจะกอด มันไม่ชอบันนี้มันจะหนีไปเข้าท่างอื่นอีกขันท่ า, ทาหากขี้เลห ย, ยังมีอยู่ตราบใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละหอยเทศสวนเอาไปเข้าร่างเก่าของเก่าของเขามันก็กระตุกกระต่าแบนั้นอนะ่ะมันไม่ว่อง ไ, ไวไรหรอกทนทุกข์ทรมานนั้นล้ำไป คนเราถ้าอย่างนี้กิเลสมันกิดทนทุกข์ทรมาเด้วยการเกิดการแก่การเจ็บการตายอย่เรื่อมล่ำไปถ้าองค์ยังว่าผู้ที่จะพ้นจากของเกิดแก่จะตายคือใจนี่ใจมันเข้าถึงใจธตรมะพูดถึงเรื่องใจอยู่เสมอไม่มีคิดนีนึก แต่มีความรู้สึกอยู่แต่นั่งก็ยังไม่พ้นหรอกต่อเมื่อได้มีปัญญารอบรู้จึนเคยพ้นแล้วในการที่ไม่คิดไม่ส่งไม่ใส่ะนะั่นแหลัในลักษณะอาการเช่นะนั้นแหละเรียกว่าคงที่ตาอานิท่านว่าคงที่ตาทิฉันว่าคงที่จิตที่คงที่ ไม่มีไปมีมานั่นจึงคือขจากตายเพราะอากา ร, ระอะไรไม ah e ่ป้องการจบตายคืออยากนี้ผู้ที่มัเวเมาทั้งหลายเนี่ยไม่คิดถึงความตายอย่างอธิบายมานั้นถ้าผู้คิดถึงความตายคิดถึงความตายได้เดือดร้อนไปทุกข์เขาว่างนัน มันก็ทุกข์เลยสิคนไม่อยากตายมันก็ทุกข์เลยสิเพาไม่อยากเก็บจากใครมันก็ทุกข์เลยสิมาเห็นตามสภาพเป็นจริงตายนี้เกิดมาใครจึงว่าสุขได้กายนี้ใครจึงว่าเป็นสุขหรอทุกทุกทุกนามทุกประเภทเกิดมามนุษย์จัดเพื่อนแต่ทุกทั้งนั้น ใ ห, ให้เห็นตามเป็นจริงวันัน่นน่ะมั น, นทุกข์ก็เห็นตามเป็นจริงนั่นจิตมันก็นิ่งเห็นความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาว่าทุกข์เป็นของอริยสัจถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีอริยสัจหรือทุกข์เป็นของคนกาหนดเราได้กาหนดแล้ว เขาพูได้จาดิเทศนาไ ง, งท่านวิธุไม่ไม่ครบอริยสัจสี่สิมันจะมีสมุทัยยังไงมันนี่มีโลดมีนี่โลดมีมัดยังไงได้มันต้องมีทุกข์นะสิเมื่อมีทุกข์เก่งสาวหาต้นเหตุของทุกข์คือความคิดของคนปรุงต้มแต่งมันยังควนเพราทุกข์อย่างนี้มันจะเป็นเาเกิดอย่างนี้ การรคือชอบทำชอบทำถูกต้องนี่เรียกว่าสมาธิมันเป็นทางจะไปถึงนิวคือความดับทุกข์ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอันนี้แหละตัวของเรานี่แหละปฏิบัติกายวาจารี่แหละปฏิบัติใจนี่แหละ ที่เรามีสติอยู่เสมอทุกเมื่อนะรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนะอันนั้ น, น่ะปฏิบัติถูกแล้วนะเห็นความคิดเขาตัวนึกดีคิดชั่วคิดอหยียดอะไรต่างรู้อยู่อย่างนั้นอันนั้นน่ะไม่ถูกคิดชั่วไม่ถูกคิดดีก็ถูกก็ห้ามได้ความชัวนะ่วนั้นห้ามตัวส่วนเรียกว่าตัวสมุทยัยไม่ให้เกิดมันมีแต่ทางดี ทางทยี่งไเว็นนั่นนะทางที่ไปให้ถึงนในโลกคือความดับทุกข์ผู้มีสติต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์ทั้งหลายอยู่ในโลกว่าตาางสงสารเป็นของนาเบือ่อไดยแล้วใจมันสลบทั้งที่จะไปกลัวตายอะไร เปน็นสภาพธรรมดาของมันเป็่นอย่อย่างนั้นผู้มีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาได้ชื่อว่าหาแนทางป้องกันตายคนที่ไม่ตายต้องดำเนินตามแบบนี้ ถ้าพิจารณาความตายยังไงวะถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าพิจารณาความตายใจไม่สลดใช่ไหมแล้วก็หมดเท่านั้นน่ยกรรมฐานไม่มีอะไรหรอกเอาล่ะเท่านั้ น, นให้จิตเจริญน่ ความตายดังอธิบายมาแล้วมาละนังมรณะนังที่เจนาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวถ้ามันอยู่ในคำปฏิกรรมอันเดียวมรณรนั่งมรณะนังอยู่กันนั่นฮะ มันออกมันส่งออกไปก็ดึงมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์นเดียวพี่เจ้านาถึงมาหังมานั่งอยู่คำนด t เจเจนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาตะ น, นังใครเป็นคนว่ามาตะ น, นังคำนดเอาผู้ผู้ที่รู้อะวะผู้ที่ว่ามาตะ น, นัง คือผู้ที่กำหนดเ อ, อมามรณะทำกำหนดเ อ, อนาภูณรนให้ได้พิจารณาถึงความตาย น, นี่เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว่ามารณะเอาพิจารณาผมใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่มนมรณะพิจารณาอะไรมันตายตายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับศูนไป พิจนาเลยมันตายผมนันม่นคือตายขนเล็บขนหนังอั่นี้มันตายพิจารณาเป็นชิดเป็นอันไปโดยลําดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มาตรนังไม่ใช่ว่ามาตรนังเฉยพิจนาไปพร้อมไปพร้อมกับความตายแล้วนะทัานตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้าไฟลมแล้วใครเป็นคนนัง กำงนวดเอาผู้ว่าครนนี้ตอนนั้นก็นวางเสียอันที่อันรุกก่มนวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามาละหนักจิด น, นั้นยังเหลือแต่ผู้เดียวละคาหนี้มันจะรวมผูว่าเข้าไปะนิดขนมเข้าไปไม่มี้ไม่มีอาการภายนอก เข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่ะเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจที่ท่านเรียกว่าพอวงังคือพบของใจนั่นเองพบของใจยังไงอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันจ้ ง, งสงสัยอยู่ภายในอีก มากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชําระกันอีกชําระกงข้างบนเก่าที่ละใครส่งใครพุ่นใช้ไหวใครปค ร, รปุงใช้แต่งจนเห็นผู้ที่ปรุงแต่งผู้ที่วุ่นวายนั่นก็จับเอาอตัวผู้เห็นนั่นแหะผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแต่งไป ว, วุ่นวายนะ่ก็หายไปอีก รวมเข้าไอีกเป็นผวังอีกการเป็นผวังอย่างนี้ทั้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยอย่ามันยังปรุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็คิดหนายอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่แต่งมันอยู่เฉยเสีย รู้เท่ารู้เรื่องของคขมเฉยย่างไรเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกไหแล้วมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งมันสนุกคือคนเรามันเคยชินจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกมันที่ไม่คิดไม่นึกไมปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบ การที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีกแล้วมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ช็อกใจมันเป็นยิ้มใสของคนมนะันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนนะต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นอย่างจริงๆจงังไม่เป็นอย่างนั้นเลยหันถ้ามัน สนิทถนมเขาไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผูกพรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกนั้นอีกแต่ละถอนมาเมื่อวันอยู่นิ่งมีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจจึงลาผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นเหนั้นนจะอยู่ในขั้นใดเป็นยังไงก็ อย่าให้ให้มันเป็นใชก่อนแต่อย่าไปห้ามมันมันเป็นไปทุกขั้นทุกก่รทุกชั้นน่ะนะให้เป็นบ่อยๆให้เป็นเสมอมันจึงชำ น, นี้ชานาญไม่ใช่ทําทีเีรแล้วไปรู้เรื่องเพรทุกอย่างไม่งั้นไม่ถูกหรอกมันเป็ น, ปนไปนในวิสา่าถูกหรือผิด เมื่อมารวมเข้าไปแล้วมันกลับถอนไม่อีกเอาแต่ความเอาแต่เวลาที่มันรวมมันพูดให้ฟังเล่าคนอื่นฟังมันเป็นในงานในงานต่เวลานอกนั้นไม่คิจะไม่ไม่เอามาพูดให้ฟังความรู้มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยทีมันจะมาน์คฮงทาวน์เด็กไหนก็ต้องรู้ด้วยตนเองเลยมันจังเป็นของจริง เอาตัああ้งใจพิจารณาอย่างว่าเนี่ย